เราเนี่ยโดยทั่ ว, วไปเวลาเห็นมือของตัวเองเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเนี่ยมือของฉันเวลาเห็นขาก็รู้สึกว่าเนี่ยขาของฉันนะแต่มีบางคนนะเวลาเห็นขาของตัวเองเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ขาของตัวเองมันเป็นของใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็รู้สึกลำคาญมากเลยกับขาข้างเนี้ยนะ อันนี้แตกต่างจากคนหลายคนนะที่รักสวยรักงามหรือผู้หญิงบางคนเขาเห็นขาตัวเองใหญ่นะเขาก็รู้สึกว่าไม่ชอบขาเนี้นะอยากจะจัดการกับขานี้ให้มันสวยแต่ถึงอย่างไรเขาอยังรู้สึกนี่เป็นขาของฉันเพียนะงแต่ไม่ชอบขาข้างนี้หรือขาทั้งสองข้างเพราะมันใหญ่มันเทอะทะเนะี่ยมันไม่สวยแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนะี่ย ไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขารู้สึกกระทั่งว่าเนี่ยมันไม่ใช่ขาของฉันเลยแล้วเขารู้สึกลำคานมากแล้วเขาทายัางไง ร, รู้ไหมเขาบอกขอให้หมอเนี่ยช่วยผ่าตัดขาข้างนี้ออกไปหน่อยหมอก็ไม่ยอมนะว่ามีที่ไหนนะตัดขาทั้งที่มันไม่ได้ป่วยอะไรเลยเขาเพียงแต่รู้สึกว่าลำคานนะอันนี้ก็แปลกดีนะเออถ้าคนที่เขาเห็นธรรมะนะ พอเห็นทามาจงทั้งรู้สึกเลยนะว่านี่ไม่ใช่ขาวของฉันนะนี่ไม่ใช่ตัวของฉันนะร่างกายไม่ใช่ของฉันนะมันเป็นศักแต่ว่ารูปที่เกิดจากธาตุทั้งสี่มาประกอบกันนะถึงเวลาธาตุติดน้ำไฟลมนะแตกสลายรูปนี้กนะ็แตกดับไปด้วยอันนี้นะ เป็นปัญญานะที่เกิดจากการปฏิบัติจนกระทั่งมันไม่มีความสําคัญมั่นหมายในกายนี้ว่าเป็นของฉันแต่กรณีคนที่เขาเห็นแบบนี้เนี่ยนะซึ่งก็คือพระพาจิรเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจนะกับร่างกายนี้นะก็เพียงแต่ว่าไม่ได้หลงไหลแค่นั้นเองแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาพอเราเกส่วนนี้ไม่ใช่ขาของชั้นเนี่ยเขาจะรังเกียจเนะขาจะไม่มีความสุขเลยตราบใดที่มันยังอยู่อยู่ติด ก, กับร่างกายของเขานะ แล้วเขาก็บอกให้หมอไอ้หมอเนี่ยช่วยผ่าสุดท้ายนี่หมอยอมผ่านะตัดขาทิ้งไปเลยเพราะว่าเขาทรมานเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทางใจแท้ๆเลยนะเป็นความทุกข์ทางใจที่สะสมต่อเนื่องมา20 30ปีแล้วพอผ่าเสร็จเนี่ยเขาสบายใจนะแต่ว่าเขาทุกข์กายนะเพราะว่าขามันหายไปข้างหนึ่งนะไอ้นีหมอนี่เขาก็สงสัยแล้วเขาก็เลยลองสำรวจนะ เราะพบว่าเขามีความผิดปกติที่สมองไม่ใช่โรคจิตนะแต่ว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างในสมองส่วนที่ส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่านันนี้ไม่ใช่ขาของฉันมันก็ได้แง่คิดนะจากกรณีนี้ว่าไอความรู้สึกของฉันของฉันเนี่ยไม่ว่าขาของฉันตัวของฉันเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับกสมองด้วยนะสมองนี่มีส่วนนะที่จะ ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยขาของฉันหรือไม่ใช่ข่าวฉันนี่แขนของฉันหรือไม่ใช่แขนแขนของฉันมาในแง่เนก็คือว่าความสัวตัวตนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งนะที่เกิดขึ้นจากสมองก็ว่าได้นะแล้วคนที่เขาทําสมาธิไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าเขากับสิ่งรอบตัวเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้อพอพอนักวิยทยาศาสตร์ไปสํารวจไปใช้เครื่องสแกนสมองนะ เราก็พบว่าเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในสมองของคนคนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะแต่ว่ามีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปก็คือส่วนที่ไปกำหนดว่าเนี่ยฉันและนี่ไม่ใช่ฉันเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยไม่มีกำแพงขวางกั้นระหว่างฉันกับสิ่งภายนอกเลยก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะอันนี้เกิดจากสมาธินะ แล้วก็มีผลต่อการทํางานของสมองบางส่วนที่ทําให้ความความการกําหนดว่านี่นี่คือร่างกายของฉันเนี่ยมันแผ่ขยายไปจนกระทั่งไม่มีประมาณอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งดีนะเพราะคนที่เขารู้สึกแบบนี้เขาเกิดความสุขแต่ในกรณีของชายคนนี้เนี่ยนะเขาก็ เ, าเป็นทุกข์มากนะเพราะว่าอสมองเนี่ยมันมันมีการทํางานบางอย่างผิดไปทําให้เขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่ขาของฉันนะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะที่ทําให้อนักวิทยาศาสตร์นะ เริ่มสนใจมากขึ้นนะเรื่องว่าของชั้นไม่ของชั้นเนี่ยซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องสมองสัมพันธ์กับเรื่องอการทำงานของสมองแลมีรายที่แปลกกันนั้นนะซึ่งไม่ใช่มีรายเดียวแต่มีมากกว่านั้นนะมันมีหลายคนจนกระทั่งต้องเรียกว่าเป็นอาการของเป็นอาการของใจมีชื่อเรียกเลยนะชื่อเรียกตามชื่อของหมอที่ค้นพบอาการนี้นะชื่อโคทาเนชาวฝรั่งเศสอาการเป็นยังไง ก็คิดว่าตัวเองตายแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วนะอันนี้แปลกดีไหมความคิดว่าฉันตายแล้วเนี่ยนะมันแปลกมากเลยเพราะว่าถ้ายังมีตัวฉันก็คือยังไม่ตายใช่ไหมฉันตายแล้วนะแต่เขาเพราะเขาคิดว่าเขาตายนะเขาไม่ยอมกินข้าวนะเขาจะนอนอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ยอมหายใจด้วยหมอนพยายามช่วยยังไงก็เขาก็ไม่ยอมซีดอาหารเขาก็พยายามต่อสู้ขัดขวาง มันแปลกดีนะคนธรรมชาติสัญชาตญาณคนเราเนี่ยก็อยากจะอยู่นะไม่อยากตายแล้วก็พร้อมจะดิ้นรนเพื่อเพื่ออยู่ให้รอดให้ได้แต่ก็มีคนแบบนี้นะที่คิดว่าตัวเองตายแล้วแล้วก็พยายามต่อสู้นะกับการพยายามช่วยชีวิตนะคือคนเราถ้าตายแล้วคือความคิดก็ต้องดับไปใช่ไหมแต่นี่เขาคิดได้เหมือนคนปกตินะเพียงแต่คิดว่าฉันตายแล้วนะอันนี้ก็แปลกมากนะ แล้วก็เขาก็พบว่าเออมันก็คงมีปัญหาเกี่ยวกับสมองเหมือนกันนะไอ้สมองในการที่จะรับรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันรับรู้ได้เหมือนคนปกติแต่ความสำคัญมันหมายว่าฉันยังอยู่ฉันยังไม่ตายฉันนะมีตัวมีตนอยู่เนี่ยอันนี้มันหายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ามันมีคนที่คิดแบบนี้นะนะแล้วก็ไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมทาอะไรทั้งสิน้น จะนอนท่าเดียวนะแต่ว่ารับรู้ได้ทุกอย่างเห็นได้ยินสารพัดนะอันนี้ก็แบบหนึ่งนะแล้วก็แบบหนึ่งซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าประเภทโคทาซินโดมนะก็คือคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีบมีหลายบุ ค, คลิกนะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีขึ้นทางอิเนเทอร์เน็ตตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะชาวอเมริกันเนี่ย หมอพบว่าแกมีตัวตนหรือบุคลิกเนี่ยประมาณสิบหบุคลิกอยู่ตัวแล้วแต่ละตัวตนหรือแต่ละบุคลิกนี่เนี่ยไม่รู้จักกันนะแล้วก็ต่างประเพศต่างวัยแล้วก็ประสบการณ์ต่างกันด้วยแต่ว่าสิบหนี่ยังยังไม่ไม่ใช่มากสุดนะมีมากสุดที่พบก็คือสิบเจ็ดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความทุกข์ทางใจนะอย่างเช่นคนที่มีสิบเจ็ดตัวตนเนี่ยนะชื่อคาเรนเนี่ยเขา เขถูกทำไม่ดีไม่ลายโดยพ่อตั้งแต่เล็กนะแล้วเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์มากในในสามัญสำนึกเขาเนี่ยเขายอมรับไม่ได้ว่าเนี้เขาถูกกระทําโดยพ่อบังเกิดกล้าวนะมันเจ็บปวดใจมากแล้วก็มีวิธีการที่เขาใช้ในการที่จะหลบหนีไม่ยอมรับความทุกข์นั่นคือสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเป็นเด็กแปดขวบเด็กแปดขวบนี่นะนะก็มีชื่อเสียงเรียงนาม ต่างหาไปเลยนะชื่อสตีเซนมั่งนะชื่อบรัยอันมั่งมีหลายคนเวลาพ่อมาทำมํำมิลีมิไลเขาเนี่ยเขาก็ตัวตนเขาก็เปลี่ยนเลยนะจากคาเรนเป็นสตีเซนต์ไปก็สบายใจเพราะว่ารู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ทําอะไรกับผู้ชายอยู่แล้วนะเวลาจะคุยกับพ่อก็เปลี่ยนตัวตนเหมือนกับแปลงร่างเป็นสตีเซนคุยกับพ่อสบายใจฉบนะไม่มีเรื่องค้างคาไม่มีเรื่องทุกร้อนอะไรเลย เพรถ้าเป็นคาเรนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดความกระอั ก, กระอ่วนนะแต่ว่าตลอดเวลาเนี่ยนะคนที่เป็นคาเรนเนี่ยเขาจะเขาจะกดเขาจะ ป, จะปกปิดหรือว่ากดดีกว่านะกดความทรงจําเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับพ่อเอาไว้ถามนะนักจิวิทยาถามเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้เลยนะว่าพ่อทำอะไรไม่ดีกับเขาและไม่รู้ว่าตัวเองท้องด้วยทั้งที่ตัวเองมีลูกแล้วสองคนยังเชื่อตัวเองนี่เป็น เป็นหญิงพรมาจันทร์อยู่เลยนะแต่ว่าคนเขารู้ทั่วไปนะว่าเนี่ยเธอท้องมามีลูกสองคนแล้วนะปิดนะมันกดความทรงจำโซนนี้เอาไว้แล้วก็พยายามรับมือกับไอ้ความทุกข์สังเายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยการสร้างตัวตนใหม่ก็กลายเป็นมีถึงสิบเจ็ดตัวตนนะเราฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าให้คนเรานี่จะมีตัวตนมากมายขนาดนี้ได้ไง แต่ในแง่หนึ่งมันก็บอกแล้วว่าตัวตนเนี่ยคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ได้มีจริงถ้ามีจริงก็ต้องมีอันเดียวเสียนะแต่ทําไมไม่ต้อง17นะแสดงว่ามันปรุงทั้งนั้นแหละถ้ามันปรุงได้แนบเหนียนมากจนเชื่อเลยนะว่าว่าฉันเป็นคาร์เรนบ้างฉันเป็นสตีเฟนบั่งฉันเป็นไบอันบั่งอจิตลานี้มันซับซ้อนมากเลยนะมันซับซ้อนจนกระทั่งเจ้าตัวเองก็ไม่รู้เลยนะอันนี้ก็เป็นพรมแดงของ ของมนุษย์นะที่มนุษย์เราเนี่ยยังเข้าถึงได้ยากมากนะจั ก, กรวาลนี่ว่าซับซ้อนแล้วนะให้จิตคนเรานี่ก็ซับซ้อนยิ่งกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่เหลือวิสัยในการที่จะทําความเข้าใจทีลนิดทีลหน่อยนะเติมความรู้เข้าไปนะเติมความรู้สึกตัวเข้าไปในแต่ละคนแต่ละคนก็จะรู้ใจของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องความพิสดารของมนุษย์นะที่เอ่อ มันเกิดจากเหตุปัจจัยมากมายแต่สุดท้ายก็มันก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องตัวตนหรือเรื่องสำนึกเรื่องตัวตนของคนมากขึ้นว่านะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เตรียมรับพร